ยี่สิบสองการสนทนาสามสมาพราคุณสูบบุหรี่ไหมคะร่ดิฉันเคยสูบค่ะ Jeg gjorde det før. แต่ตอนนี้ดิฉันไม่สูบแล้วแต่ฉันยังสูบบุรบกวนคุณไหมคะถ้าดิฉันจะสูบบุหรี่ฉันรู้สึกว่าคุณไม่ชอบฉ e นไม่เลยค่ะไมันไม่ได้รบกวนดิฉันค่ะ คุณจะดื่มอะไรไหมคะอยาดื i, ่มอะไรไหมคะคุณจะดื่มอะไรไหมคะอยากดื่มะไรไหมคะดอะไบไหมากกว่าคุณจดื่มางบ่อยไหมคะ ไร่เสรีดีบ่อยค่ะส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจอยาดียวมีการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เรามาพักร้อนร no, ร้อนอะไรอย่างนี้โซบารมเตวอรใช่วันนี้ร้อนจริงๆ Ja, dag er det เราไปที่ระเบียงกันเถอะลา o s s gå ut på balkongen พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ det fest här. คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมคะคุะมาด้วยหรือไ่ะคะาวกเราได้รับเชิญด้วย Ja, vi er i n v i t e t vi også.